สันนิวิลุครอบกลัาเก่าสตรอยเฟมร้อกข้าพเจาพระมาหาภัยบุญอมพีปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศกตั้งวันจันทร์ถึงวันศุกร์มาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำในช่วงจัน์การพุทธนั้นก็จะนำประสูตรบ้างธรรมะที่มาในชาดกธรรมบทบทแห่งธรรมคาถาใดๆที่พระพุทธเจ้าอ่านไว เป็นสัมนวนเดิมที่แปลามาจากภาษาบาลีเนี่ยเอามาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังส่วนในช่วงของวันพฤหัสและวันศุกร์นั้นก็มาคุยกับคุณสรนสนีนาคพงศ์และโดยจะนําคําถามที่อยู่ในช่วงสัปดาห์ที่ท่านผู้ฟังได้ส่งกันมาแล้วก็การฟังธรรมะในท่านผู้ฟังเป็นของดีอะจารย์ถึงศุกร์ฟังด้วยศุกร์อาทิตย์อาจจะฟังทางออนไลน์หรือฟังทางคลื่นไหน หรือดูผ่านทางทีวีก็ตามแต่ฟังธรรมะบ่อยๆนี่มันดีเพราะว่ายุคสมัยปัจจุบันนี้ตั้งบฟังชีวิตของมนุษย์เนี่ยก็อายุประมาณ100ปี่าจะมีมากกว่านิดหน่อยส่วนใหญ่ก็จะไม่ถึง80ปี9กสิบปีบ้างอายุเฉลี่ยของคนไทยก็ประมาณ70กว่านันก็ประมาณนี้ในช่วง100ปีเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงก็คือมี10ปีแค่10ครั้ง นะตัดไป2ครั้งแรก10ปี2ครั้งแรกก็ช่วถงถึงอายุ20เนี่ยเป็นช่วงที่กำลังเจริญเติบโตทามาหากินนะตัดไปในะ10ปีอีกสักประมาณ4รอบในะในรอบสุดท้ายจาก60ถึง70ในะ7 0ถึง80ดถึงเ0ถึงหนะึงในอีก4รอบหลังนะก็ตัดออกไปด้วยเพราะว่าอายุมากแล้วทำอะไรก็ไม่คได้ แต่เพราะฉะนั้นจะเหลือที่จะเป็นประโยชน์จริงๆเนี่ยก็แค่4รอบแต่4รอบของ10ปี่ที่เราจะสร้างเนื้อสร้างตัวหรือว่าทำอะไรที่มันจะเป็นหลักเป็นฐานก็ช่วง40ปีนี้ตั้งแต่20จนถึง60ประมาณนี้เต่ยังพอจะมีเรี่ยวแรงมีกำลังบางคนแข็งแรงอาจจะทำงานได้เกินไปกว่านั้นแต่ก็จะเป็นส่วนน้อยแตส่วนใหญ่พออายุ 50-60 แล้วก็เริ่มสายตาเปลี่ยนไป ลำเนื้อก็เริ่มถอยกำลังส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในช่วงอายุที่มันไม่ได้มากเนี่ท่านผู้ฟังนะ่ยมีอยู่ก็อาจจะทําประโยชน์ได้บ้างแตนะ่ในช่วงนี้ก็จึงต้องเร่งควนควายละในการที่จะทําความดีไม่ประมาจสร้างกุศลมาเป็นบุญมีเรื่องราวที่เป็นไปในทางคําสอนของพระพุทธเจ้ามากมายท่านผู้ฟังที่พูดถึงความที่อายุมนุษย์เนี่ยไม่ได้มากนะถ้าเปรียบเทียบกับสมัยอื่นๆ มนุษย์นี้อายุมากกว่านี้มากนะแต่เราอยู่ในสมัยปัจจุบันนี้อายุไม่ได้มากเรื่องราวในนิทานธรรมบทก็มีเรื่องราวที่อธิบายาไว้ถึงความที่อายุมนุษย์เนี่ยไม่ได้มีมากแต่ซึ่งถ้าเราจะมาประมาทมัวเมาอันนี้ไม่ควรได้พูดถึงเทวดาที่ชื่อมาลาภาลีแล้วก็มีภรรยาของเทวดาที่ชื่อมาลาภารีเนี่ยที่ชื่อว่านางปฏิปูชิกาแต่ซึ่งนางนี้เป็นเทวดา สามีชื่อมาลาพาลีนางคนนี้ตอนที่เป็นเทวดานี่ไปเก็บดอกไม้อยู่ในสวรรค์สวนนันทวันนี่แหละเป็นสวนที่สําหรับเทวดาก็เอาไว้รื่นรมกันนลงก็ไปเก็บดอกไม้แล้วปรากฏว่าอีท่าไหนพลาดตกลงม า, าจากสวรรค์ก็มาเกิดเป็นมนุษย์เต็มฝังจนกระทั่งอายุครบรอบมนุษย์นจนมีลูกมีอะไรเรียบร้อยละแล้วก็ตายจากอัตภาพมนุษย์กลับขึ้นไป บนสวรรค์ ห, หายไปแคบแวบเดียวแค่วันเดียวเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดของเรื่องนี้กันเรื่องของ เ, อเทวดาที่ชื่อปฏิปุชิกาเรื่องเกิดขึ้นในสวรรค์ชั้นดาวดึงได้ยินว่าเทพประบุนามว่ามาลาภารีในดาวดึงเทวโลกนั้นมีนางอับซรพันหนึ่งแวดล้อมแล้ว เข้าไปสู่ในสวนเทพธิดาห้าร้อยคนขึ้นสู่ต้นไม้ย่งดอกไม้ให้ตกอยู่เทพธิดาห้าร้อยเก็บเอาดอกไม้ที่เทพธิดาเหล่านั้นให้ตกแล้วประดับเทพประบรุบันดาเทพธิดาเหล่าใดเทพธิดาองค์หนึ่งชุติบนกิ่งไม้นั่นแหละสรีระ ดับภัยดุดเปลวประทีปนางถือปฏิสนธิในเรือนแห่งตระกูลหนึ่งในกรุงสาวถตีในเวลาที่นางเกิดแล้วเป็นหญิงระลึกชาติได้ระลึกอยู่ว่าเราเป็นภรยาของมาลาภารีเทพบุตรดังนี้แล้วนางถึงความเจริญกระทำการบูชาด้วยของหอม และดอกไม้เป็นต้นปรารถนาการเกิดเฉพาะในสำนักของสามีนางแม้ไปสู่ตระกูลอื่นในเวลามีอายุสิบหกปีถวายสลากพัดปกิตพัดและวัดสาวาศิกพัดคือพัดในเวลาต่างๆเป็นต้นแล้วย่อมกล่าวว่าส่วนแห่งบุญนี้จงเป็นปัจจัยเพื่อประโยชน์ แกอันบังเกิดในสํานักสามีของเราตอนจุติจากมนุษย์โลกแล้วไปเกิดในสวรรค์ลำดับนั้นพิสุททั้งหลายทราบว่านางนี้ลุกขึ้นเสร็จสับแล้วย่อมปรารถนาสามีเท่านั้นจึงขนานนามของนางว่าปฏิปูชิกาคือผู้บูชาสามีแม่นางปฏิปูชิกานั้น ย่อมบฏิบัติโรงฉันเข้าไปตั้งน้ำฉันผู้อาสนะเป็นนิดมนุษย์แม้พวกอื่นใครเพื่อจะถวายสลากพัดเป็นต้นนำมามอบให้ด้วยคำว่าแม่ท่านจงจัดแจงพัดเหล่านี้แก่ภิกษุสงฆ์เถิดนางนั้นแม้เดินไปเดินมาอยู่โดยทํานองนั้นได้กุศลธรรมห้าสิก ทุกอย่างกล่าวนางตั้งกันแล้วนางก็คลอดบุตรโดยการอันล่วงไปสิบเดือนในการที่บุตรนั้นเดินได้นางได้บุตรแม้อื่นๆรวมสี่คนในวันหนึ่งนางถวายทานทำการบูชาฟังธรรมะรักษาสิกขาบทในเวลาเป็นที่สุดแห่งวันก็ทำกาละ คือตายด้วยโรคชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งวังเกิดขึ้นในขณะนั้นแล้วได้บังเกิดในสำนักสามีเดิมของตนตอนอายุของมนุษย์ประมาณ100ยปีฝ่ายนางเทพที่ด่านอกนี้กำลังประดับเทพป บ, บุตรอยู่นั่นเองตลอดการเท่านี้เทพป บ, บุตรนั้นเห็นนางแล้วกล่าวว่า เธอหายหน้าไปตั้งแต่เช้าเธอไปไหนมาหรือหนังเทพิดาฉันจุติค่ะนายเทพบุตรเธอพูดอะไรนะข้อนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆนายแล้วเธอไปเกิดในที่ไหนฉันเกิดในเรือนแห่งตระกูลในกรุงสาวัตถีก็เธอดำรงอยู่ในกรุงสาวัตถีนั้นสิ้นการเท่าไหร่้าแต่นาย ที่ฉันออกจากท้องมานดาโดยการอันล่วงไปสิบเดือนในเวลาอายุ16ปีไปสู่ตระกูลสามีคลอดบุตรสี่คนทำบุญมีทานเป็นต้นปรารถนาถึงนายบ้าบังเกิดแล้วในสำนักของนายตามเดิมก็อายุของมนุษย์มีประมาณเท่าไหร่ประมาณหนึ่งปีเท่านั้นเองอย่างนั้นหรือข้านาย พวกมนุษย์ถืออายุประมาณเท่านี้เกิดแล้วเป็นผู้ประมาทเหมือนหลับยังการให้ล่วงไปหรอกหรือหรือทำบุญมีทานเป็นต้นนายท่านพูดอะไรพวกมนุษย์ประมาทเป็นนิดประเหนึ่งถือเอาอายุตั้งสงไขยเกิดแล้วประเหนึ่งว่าไม่แก่ไม่ตายความสังเวทเป็นอันมากได้เกิดขึ้นแกมาลาภารีเทพบระวุตว่า ทราบว่าพวกมนุษย์ถือเอาอายุประมาณร้อยปีเกิดแล้วประมาทนอนหลับอยู่เมื่อไรเนาะจึงจะพ้นจากทุกได้หนังนี้ตอน100รปีของมนุษย์เท่าหนึ่งวันในสวรรค์ก็100รปีของพวกมนุษย์เป็นคืนหนึ่งวันหนึ่งของพวกเทพเจ้าฉันด่าวดึง สามสิบราตรีโดยราตรีนั้นเป็นเดือนหนึ่งกำหนดด้วยสิบสองเดือนโดยเดือนนั้นเป็นปีหนึ่งหนึ่งพปีทิพย์โดยปีนั้นเป็นประมาณอายุ ข, ของเทพเจ้าชั้นดาวดึงหนึ0พปีทิพย์นั้นโดยนับในมนุษย์เป็นสามโกด6ล้านปีเพราะฉะนั้นแม้วันเดียวของเทพประวุฒินั้น ก็ยังไม่ล่วงไปได้เป็นการเช่นครูดเดียวเท่านั้นขึ้นชื่อว่าความประมาทของสัตว์ผู้มีอายุน้อยอย่างนี้ไม่ควรอย่างยิ่งแหละในวันรุ่งขึ้นพวกภิกษุเข้าไปสู่บ้านเห็นโรงฉันยังไม่ได้จัดอาสนะยังไม่ได้ปูน้ําฉันยังไม่ได้ตั้งไว้จึงกล่าวว่านางปฏิปูชิกาไปไหนชาวบ้าน ท่านผู้เจริญพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจะเห็นนางนาที่ไหนก็วันวานนี้เมื่อพระกุณเจ้าฉันแล้วกลับไปนางตายในตอนเย็นภิกษุผู้ยังเป็นปุถุชนได้ฟังคำนั้นแล้วระลึกถึงอุปาการะของนางนั่นไม่อาจจะกลั้นน้ำตาไว้ได้ส่วนธรรมะสังเวศก็ได้เกิดขึ้นแก่เหล่าพระกี่นาศพ ภิกสุทังหลายเหล่านั้นทำพัฒกิจแล้วกลับไปวิหารถวายบังคมพระศาสดาทูลถามบ่าแค่แต่พรุ่งผู้เจริญอุบาสิกาชื่อปฏิปูชิกาลุกขึ้นเสร็จสับแล้วทำบุญมีประการต่างๆปรารถนาถึงสามีเท่านั้นบัดนี้นางตายไปแล้วเกิดณที่ไหนพระชจ่าขิาษี่สุทังหลายนั่งเกิดในสานัก สามีของตอนนั่นแหละแต่พระองค์ผู้เจริญก็ในสำนักสามีไม่มีอยู่เลยพระเจ้าค่าพิษุทั้งหลายนั่งปรารถนาถึงสามีนั้นก็หาไม่ได้มาลาพารีเทพบุตรในดาวดึงพิภพเป็นสามีของนางนางเคลื่อนจากที่ประดับดอกไม้ของสามีในชั้นดาวดึงแล้วแบบนี้ ไปบังเกิดในสำนักของสามีในชั้นนาวดึงนั่นแหละอีกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นเป็นอย่างนั้นหรือพระเจ้าข้าข้อนั้นเป็นอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายข้อนี้น่าสังเวชจริงชีวิตของสัตว์ทั้งหลายน้อยจริงหนอเช้าตรูนางยังอังคาดคือถวายของแก่พวกข้าพระองค์ตอนเย็นได้ตายด้วยโรคที่เกิดขึ้น พิสุทธั้งหลายข้อนี้เป็นอย่างนั้นชื่อว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายน้อยจริงแลเหตุนั้นแลมันจุผู้กระทำซึ่งที่สุดยั่งสัตว์เหล่านี้ซึ่งไม่ยิ่มด้วยวัตถุกรรมและกิเลสกรรมนั่นแลให้เป็นไปในอํานาจของตนแล้วย่อมพาเอาสัตว์ที่คร่ํากรวนร่ำไรไปดังนี้แล้ว จึงได้ตรัสพระคถานิวาบุพาณิเหวะปจนินตังพยาสัตตะมณสังนรังอติตังเยวะกาเมสุอันตะโกกุรุเตวสังมันจุผู้ทำซึ่งที่สุดกระทำนระผู้มีใจคลองในอารมณ์ต่างๆเลือกเก็บดอกไม้อยู่เดียว ผู้ไม่อิ่มในการทั้งหลายนั่นแหละให้อยู่ในอำนาจในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิปลเป็นต้นเทศนามีประโยชน์แก่มหาชนดังนี้แหละเรื่องนางปฏิปุชิกาจบเพราะฉะนั้นนางปฏิปุชิกานี่เราเอาอายุส6บหปีบวกกับ จนกระทั่งลูกเริ่มเดินได้ล้วก็มีลูกคนที่สองใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ห่างกันตีสวาสัก3ปี3ปี4คนนาก็12ปี12บสงก็ประมาณ28่ตีสว่สา30นางก็ตายอายุ ป, ประมาณ30สมสมมติว่าอย่างนั้นเราก็เลยได้กลับไปหาเทวดาที่ชื่อมาลาภาลีซึ่งก็คือแค่วันเดียวไม่ถึงวันด้วยซ้ำเพราะว่า หาไปแค่ตอนเช้าแต่กลับมาตอนเย็นก็ได้พบกันอีกนี่คือปุถุณนบนสวรรค์เพราะฉะนั้นอายุของมนุษย์เราเนี่ยสั้นมากแต่ถ้าเปรียบเทียบกับอายุของสิ่งมีชีวิตอื่นๆนั่นคือเราเรียนดูอย่างสุนัขอย่างเงี้ยอายุของมันเต็มที่ก็สิบห้าสปีแต่หมาตัวใหญ่หน่อยอาจจะมีเกินกว่านั้นแต่ก็ประมาณนี้อายุของมันไม่ได้ยาวอายุของมนุษย์ยาวกว่าสิ่งมีชีวิตที่อายุมากกว่ามนุษย์ก็มี เพราะฉะนั้นเราจะต้องรีบทําความดีแระวังอย่าปล่อยให้เผลอเปลินวุ่นวายลุ่มหลงไหลไปตามกระแสที่มากระทบในการที่เราจะไม่วุ่นวายเผลอเปลินลุ่มหลงไปตามกระแสที่มากระทบได้ในจิตใจเราจะต้องตั้งสติเอาไว้ฝึกปฏิบัติทําให้ดีและมีการตั้งสติเอาไว้ให้เหมาะสมแล้วก็มีเรื่องราวที่พระพุทธ า, าได้เคยเทศเตือนอัภะยะราชจุกุมาร อันนี้จะเป็นเรื่องที่สองที่ให้ท่านผู้ฟังฟังนดะีเปรียบเทียบว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยแม้มันอาจจะมีเรื่องให้เราตื่นตาตื่นใจเป็นเรื่องตะการตาตะการใจเหมือนยังกรณีของเทวดาที่ชื่อมาลาปาลีเนี่ยผู้บ ร, ริจาได้ตรัสถึงเรื่องของดอกไม้ใช่ไหมเดี๋ยวว่าจะมีดอกไม้เป็นเครื่องรื่นรมผู้บ ร, ริจาก็เปรียบเทียบไปอีกให้กับอภิยาราชจุกุมารฟังนะว่ามันจะเหมือนกับราชรถ ที่เขาประดับประดาตกแต่งไว้ดีแล้วอย่าไปเผ ล, อ เ, ล, อ, เ ล, อ, เลอเพลินเพลิดเพลินไปในสิ่งนั้นแต่ให้ตั้งสติอย่าไปตามกระแสของโลกในเรื่องที่2ที่ใช้ฟังวันนี้ก็เป็นเรื่องของอภิยาราชจุกมุมารแต่ดับระหวังได้ติดตามเรื่องราวที่ข้าพเจ้านํามาเสนออยู่เป็นประจำเนี่ยเรื่องราวของอภิยาราชจุกมุมานี่จะคล้ายๆกับเรื่องราวของอมาตย์ที่ชื่อว่าสันติมหาอมาตย์อมาตย์นี่ก็หมายถึงรัฐมนตรีหรือว่า ขระราชการชั้นผู้ใหญ่ในที่จะจัดแจงการงานแต่พระราชาแต่เรื่องของสันตติมหามานี่คือเกิดขึ้นที่เมืองโกศลพระเจ้าเปรติโกศลและอภยาราชุกบา น, นี่เกิดที่เมืองราชฤกษ์พระเจ้าปิมพิสารในคนละประเทศกันแต่ว่าก็เรื่องราวคล้ายๆกันเรามาฟังเรื่องของอภยาราชุกบารพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวัน ทรงรารพอพยราจุกุมันตรัฐพระธรรมเทศนานิว่าเอตัสปัสสติมังโลกังจิตตังราชะระถูปะมังยัตถะาลาวิสีทันตินติสังโควิชานตังแปลว่าท่านทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตราการดุดราชรส ที่พวกคนเขาหมกอยู่แต่พวกผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ตอนพระราจุกมุมารได้รับพระราชทานราชสมบัติได้ยินว่าเมื่ออภิยะราชุกมุมานั้นทรงปราบปรามปัจจันตะสนบทให้สงบมาแล้วพระเจ้าพิมพิสารผู้พระบิดาทรงพอพระทัยแล้ว พระราชาทานหญิงฟ้อนคนหนึ่งผู้ฉลาดในการฟ้อนและการขับแล้วและได้พระราชาทานราชสมบัติสิ้นเจ็ดวันอภิยราชกุมารนั้นไม่เสด็จออกภายนอกพระราชมณีเลยเสวยเสริแห่งความเป็นพระราชาสิ้นเจ็ดวันได้เสด็จไปสู่ท่าแห่งแม่น้ำในวันที่แ ทรงสงสนารแล้วเสด็จขึ้นไปสู่พระอุทยานประทับนั่งทอดพระเนตรการฟ้อนและการขับกองหญิงนั้นดุดสันตติมหาอามาตย์ในขณะนั้นเองแม่นางนั้นก็ได้ทํากาละด้วยอํานาจกองหลมกล้าดุดสาตราดุดหญิงฟ้อนของสันตติมหาอามาตย์ รกุมารมีความโศกเกิดขึ้นแล้วเพราะการละกิริยาของหญิงฟอนนั้นได้มีความคิดว่าผู้อื่นเว้นพระศาสดาเสียจะไม่อาจเพื่อยังความโศกนี้ของเราให้ดับได้ดังนี้แล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงให้ความโศกของข้าพระองค์ดับเถิด ตอนอุบายระงับความโศกพระศาสดาทรงปลอบพระกุมาร น, นั้นแล้วได้ตรัสว่ากุมารก็น้ำตาทั้งหลายที่เธอร้องไห้อยู่ในการแห่งหญิงนี้ตายแล้วอย่างนี้นี่แหละให้เป็นไปแล้วย่อมไม่มีประมาณในสงสารซึ่งมีเบื้องต้นและเบื้องปลายหันใครใครรู้ไม่ได้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 ยัตถะาลาวิสีธันติัติสังโควิชานตังแปลว่าท่านทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตราการดุดราชรสที่พวกคนเกลาหมกอยู่แต่พวกผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ตอนแก้อัดในบรรดาคำเหล่านั้นคําว่าเอตะปัสสะแปลว่า ท่านทั้งหลายจงมาดูพระาศาสดาตรัสหมายเอาพระราชจุฬามา น, นั่นเองคําว่าอิมังโลกังแปลว่าโลกนี้ได้แก่อัตภาพลราคือขันทโลกเป็นต้นนี้คําว่าจิตนังแปลว่าอันตรการหมายความว่าอันวิจิตด้วยเครื่องประดับมีเครื่องประดับคือผ้าเป็นต้น ดุดราชรสอันวิจิตด้วยเครื่องประดับมีแก้วเจ็บประการเป็นต้นคำว่ายัตถภาลาแปลว่าที่พวกคนเขาหมายความว่าพวกคนเขา่าคือคนพานเท่านั้นมกอยู่ในอันตภาพใดคำว่าวิชาณตังแปลว่าผู้รู้หมายความว่าแต่สำหรับ ผู้รู้คือบัณฑิตทั้งหลายหามีความคล่องในกิเลสเรื่องคล่องคือราคะเป็นต้นแม้อย่างหนึ่งในอัตภาพนั้นไม่ในเวลาจบเทศนาพระราชุกุมารตั้งอยู่แล้วในโซดาปฏิป์แล้วพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่ผู้ประชุมกันนังน้แลเรื่องอภยราชุกุมาร ้อกจากเรื่องของความที่เราจะไหลไปตามกระแสของโลกลในความที่อยากจะได้นดู่นได้นี่อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญท่านผู้ฟังคือเรื่องของความโกโรธนะซึ่งบางทีบางคนจะคิดว่าความโกโรธเป็นเรื่องที่เราไม่พอใจ ข, ย, ข, ย, ข, ย, ขยักขยงเราจึงเกิดความโกโรธขึ้นเหมือนกับว่าเราอยากจะหนีมันแต่จริงๆแล้วจิตใจเราไปเพลินต่างหากนะไปเพลินในสิ่งที่อยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโ น, น้น แต่พอไม่ได้ได้เป็นอย่างอื่นมามันจึงมีความโกรธขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่แฝงอยู่ความที่เราไม่ต้องการเนี่ยก็คือความอยากนั่นแหละความเปลิอนั่นแหละความที่อยากได้นั่นแหละพออยากได้แล้วไม่ได้จึงเกิดความโกรธขึ้นตัวอย่างในเรื่องของความโกรธที่เราจะต้องละคือมันมันมีความไม่ดีของมันอยู่แล้วพอถ้าความไม่ดีเกิดขึ้นก็เป็นผลที่มีความเป็นร้อนตัวอย่างเรื่องของผล ของความโกรธที่ไม่ดีนั่นก็ได้เคยเกิดกับเจ้าหญิงองค์หนึ่งที่ชื่อว่าโรหินีเจ้าหญิงองค์นี้ได้เคยทําเรื่องราวในอดีตคือมีความริษยาในหญิงคนอื่นในชาติก่อนๆก็ไปแกล้งเขาละ่ะพอมาในชาตินี้ตัวเองก็เลยเกิดเป็นโรคผิวหนังเรามาฟังเรื่องของนางโรหินีจนได้เป็นเจ้าหญิงตอนสุดท้ายนี่กน่าสนใจเพราะว่าหลังจากที่ นางบรรลุปเป็นโสรบันตายจากอัธภาพนี้ไปเพื่อเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงจนกระทั่งเทวดาเขาแย่งกันหลักเรามาฟังเรื่องของนางโรฮินีได้ยินว่าสมัยหนึ่งพระอนุรุทธะผู้มีอายุได้ไปเมืองกบิลพัทพร้อมด้วยภิกษุห0 0รรูปครั้งนั้นพวกประญาติของท่านทรงสดาบว่า พระเถระมาถึงที่ได้ไปสู่สำนักของพระเถระเว้นแต่พระน้องนางของพระเถระชื่อโรหินีพระเถระถามพวกญาติว่านางโรหินีอยู่ที่ไหนพวกญาติอยู่ในตำหนักเจ้าข่าพระเถระเหตุใดจึงไม่เสด็จมาพวกญาติพระนางไม่เสด็จมาเพราะทรงละอายว่าโรคผิวหนังเกิดที่สตรีระ พระเตระท่านทั้งหายจงเชิญพระนางเสด็จมาเถิดก็ได้ให้ไปเชิญพระนางเสด็จมาแล้วจึงกล่าวอย่างนี้กับพระนางโรหินีผู้ฉลองพระองค์เสด็จมาแล้วว่าโรหินีเหตุใดเธอจึงไม่เสด็จมาพระนางโรหินีท่านผู้เจริญโรคผิวหนังเกิดขึ้นที่สรีระของหม่อมฉันเหตุนั้นหม่อมฉันจึงไม่ได้มา ด้วยความละอายโรฮีนีก็เธอทรงทำบุญไม่ควรหรือจะให้ทำอะไรชั่กาจงให้สร้างโรงฉันก็หม่อมฉันจะเอาอะไรทำก็เรื่องประดับของเธอไม่มีหรือมีอยู่ชั่ก้าเรื่องประดับนั้นราคาเท่าไหร่จะมีค่าหมื่นหนึ่งโรอีนี้ถ้ากระนั้น เธอจงขายเครื่องประดับนั้นให้สร้างโรงชันเติดท่านผู้เจริญก็ใครเล่าจะทําให้หม่อมชันเจ้าข่าพระเถระได้แลดูประญาติซึ่งยืนอยู่ในที่ใกล้ๆแล้วกล่าวว่าขอเรื่องนี้จงเป็นภาระของพวกท่านทั้งหลายพวกประญาติก็แล้วพระคุณเจ้าจะทําอะไรหรือเจ้าข่าพระเถระก็แม้อัตมภาพ ก็จะอยู่ในที่นี้เหมือนกันถ้ากระนั้นพวกท่านจงนำพระปะสัมประมาะเพื่อโรงฉันนี้บวกประญาติเหล่านั้นรับคำดังนั้นแล้วจึงนำสิ่งต่างๆมาพระเตระเมื่อจะจัดโรงฉันจึงกล่าวกับพระนางโรฮินีว่าโรฮินีเธอจงให้ทำโรงฉันเป็นสองชั้น จำเดิมแต่การที่ให้พื้นชั้นบนเรียบแล้วจงกวาดพื้นชั้นล่างแล้วให้ปูอาสนะไว้เสมอเสมอจงให้ตั้งหม้อน้ำดื่มไว้เสมอเสมอหนังนี้นางโรฮินีรับคำดังนั้นแล้วก็ได้จำหน่ายเครื่องประดับให้ทำโรงชันสองชั้นก็เมื่อเริ่มแต่การที่ให้พื้นชั้นบนเรียบแล้ว ได้ทรงทำกิจมีการกวาดพื้นล่างเป็นต้นหนึ่งหนึ่งพวกภิกษุก็นั่งเสมอเสมอลาดับนั้นเมื่อพระนางกวาดโรงฉันอยู่นั่นแลโรคผิวหนังก็ราบไปแล้วเมื่อโรองฉันเสร็จพระนางจึงได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วได้ถวายคาธิยะและโภชิยะ ที่ประณีตแดภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขซึ่งนั่งเต็มโรงฉันพระาศาสดาทรงธทมพัตกิจแล้วประทถามว่านี่เป็นทานของใครพระนุรธุธขของโรหินีพระน้องนางของข้าพรงพระชก้าพระศาสดาก็นางไปไหนเล่านั่งอยู่ในตำหนักพระชก้า พวกท่านจงไปเรียกนางมาก็พระนางไม่ประสงค์จะเสด็จมาในที่นั้นพระาศาสดาจึงรับสั่งให้เรียกพระนางโรหินีมาแม้ไม่ปรารถนาจะมาก็ตามก็แลพระาศาสดาตรัสกับพระนางผู้เสด็จมาตบายบังคมประทับนั่งแล้วว่าโรหินีเหตุไรเธอจึงไม่มาพระนางโรหินี โรคผิวหนังมีที่สรีรักของหม่อมฉันพระชก้าหม่อมฉันละอายด้วยโรคนั้นจึงไม่ได้มาโรคนี้ก็เธอรู้ไหมว่าโรคนั้นอาศัยกรรมอะไรของเธอจึงเกิดขึ้นหม่อมฉันไม่ทราบพระชก้าก็โรคนั้นอาศัยความโกรธของเธอจึงเกิดขึ้นแล้วก็หม่อมฉันทำกรรมอะไรไว้พระชก้าตอน บุระกรรมของพระนางโรยินีลำดับนั้นพระศาสดาทรงนำอดีตนิทานมาตรัสแก่พระนางว่าในอดีตการพระอักระมเมหสีของพระเจ้าพระราสีผูกอาฆาตในหญิงนักฟ้อนของพระราชาคนหนึ่งจึงได้มีํำริว่าเราจะให้ทุกเกิดขึ้นแก่หญิงนั้นแล้วจึงให้เขานำลูกเต่าร้างใหญ่ คือหมามุ้ยใหญ่รับสั่งให้เรียกหญิงนักฟ้อนนั้นมายังสำนักของตนแล้วให้โรยผงเต่าร้างคือผงหมามุย้ยลงบนที่นอนที่ผ้าหม่มและที่ระหว่างเครื่องใช้มีผ้าปูที่นอนเป็นต้นของหญิงนักฟ้อนนั้นโดยประการที่นางไม่ทันรู้ตัวโปรยลงบนแม้ตัวของนาง เรากับทำความเยอะหยันเล่นทันใดนั่นเองสรีระของหญิงนั้นได้ผู้พองขึ้นเป็นตุ่มน้อยตุ่มใหญ่นางเกาอยู่ไปนอนบนที่นอนเมื่อนางถูกผงเต่ารางกัดแม้บนที่นอนนั้นเวทนากล้ายิ่งนักเกิดขึ้นแล้วพระอักมเมสีในการนั้นได้เป็นพระนางโรหินี ราศาสดาครั้นนำอดีตนิทานนั้นมาแล้วได้ตรัสว่าเราีนี้ก็กรรมนั่นที่เธอทำแล้วในการนั้นก็ความโกรธก็ดีความริษยาก็ดีแม้มีประมาณน้อยไม่ควรทำเลยนังนี้แล้วจึงได้ตรัสพระคถานี้ว่าโกทังชะเหวิปปะชะเหยยะมานังสัญโยชะนัง สพพะมะติกะเมยะตันนามรูปัสมิงอะสัจชะมานังอะกินจะนังนานุปตันติทุกขาแปลว่าบุคคลพึงละความโกรธสละความถือตัวล่วงสังโยชน์ทั้งสิ้นได้ทุกทั้งหลายย่อมไม่ตกต้องบุคคลนั้นผู้ไม่คล่องในนามรูปไม่มีกิเลสเรื่องกัางบน ในการจบเทสนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิผลเป็นต้นแม้พระนางโรฮินีก็ดำรงอยู่ในโซดาปฏิผลสรีระของพระนางได้มีวันนะดุดทองคำในขนาดนั้นเองพระนางจุติจากอัตภาพนั้นแล้วเกิดในระหว่างเขตแดนของเทพบุตรสี่องค์ ในพบดาวดึงในเป็นผู้น่าเลื่อมใสถึงความเป็นผู้มีรูปงามเลิอเทพบุตรทั้งสี่องค์เห็นหนางแล้วเป็นผู้เกิดความสิเนหาได้เกิดความวิบาสกันบ่านางเกิดภายในเขตแดนของเรานางเกิดภายในเขตแดนของเราเทพบุตรสี่องค์นั้นจึงได้พากันไปสู่สำนักของท้าวสักกดัดเยวราช กราบดูดว่าข้าแต่ท่านเทพเจ้าข้าพระองค์ทั้งสี่เกิดคดีขึ้นเพราะอาศัยเทพธิดานี้ขอพระองค์ส่งวินิจฉัยคดีนั้นแม้ท้าวสกตะเทวราชพอได้ทรงเห็นพระนางก็เกิดเป็นผู้สิเนาหาจึงได้ตรัสอย่างนี้ว่าก็จำเดิมแต่การที่พวกท่านเห็นเทพธิดานี้แล้วจิตเกิดขึ้นเป็นอย่างไรลำดับนั้นเทพบุตรองค์หนึ่ง จึงได้กราบทูลว่าจิตของข้าพระองค์เกิดขึ้นดุดกลองในคราวสงครามก่อนไม่อาจจะสงบลงได้เลยองค์ที่สองตอบว่าจิตของข้าพระองค์เกิดขึ้นเหมือนแม่น้ําตกจากภูเขาย่อมเป็นไปเร็วพลันทีเดียวองค์ที่สมตอบว่าจําเดิมแต่การที่ข้าพระองค์เห็นหนังนี้แล้วตาทั้งสองถลนออกดุดตาของปู องค์ที่สี่ตอบว่าจิตของข้าพระองค์ประดุดธงที่เขายกขึ้นบนเจดีไม่สามารถจะดำรงนิ่งอยู่ได้ครั้งนั้นท้าวสักกะจึงได้ตรัสกับเทพประบุทั้งสี่นิวาพอทั้งหลายจิตของพวกท่านยังคมได้ก่อนส่วนเราเมื่อเห็นเทพที่ด่านี้จึงจะเป็นอยู่เมื่อเราไม่ได้จะต้องตาย พวกเทพบุตรจึงตูลว่าข้าแต่มาราชะพวกข้าพระองค์ไม่มีความต้องการด้วยความตายของพระองค์ดัง น, นี้แล้วนางก็สลักเทพธิดานั้นถวายเท้าสักกะแล้วก็หลีกไปเทพธิดานั้นได้เป็นที่รักที่พอพระธาตุไทยของเท้าสักกะเมื่อนางกราบทูลว่าหม่อมฉันจะไปสู่สนามเล่นชื่อโนอนท้าวสัง ก, กะ ก็ไม่สามารถจะท่งขัดคำของนางได้เลยลนี้แหละเรื่องเจ้าหญิงโรฮินี